น, นะก็บอกว่าเพราะคําสอนบอกว่าหน้าเบื่อหน่ายใช่ไหมแต่เอาใจเข้าเราจริงเขาว่าเอ้มก็ดีนะก็ก็พิจารณาเอาให้บ่อยๆนะว่าพิจารณาคู่ควรที่จะเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดวิธีคิดง่ายๆว่าเพลิดเพลิน <ๆ S 2> ในผมขนเล็บฟันหนังก็คือการสร้างผมขนเล็บฟันหนงังถ้าตัณหาเกิดอุปาทานก็เกิดถ้าอุปาทานเกิดพบก็เกิดถ้าพบเกิด ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นก็เกิดพันการเกิดขึ้นของผมขนเล็บฟันหนังและเรียกว่าความเกิดขึ้นแห่งกองทุกการดำรงอยู่แห่งผมขนเล็บฟันหนังนั่นแหละเรียกว่าอะไรนะความชราและพยาธินี่นะความเสียหายแตกทําลายของสิ่งเหล่านี้เรียกว่ามรณะเนี่ยนะเรียกว่ามรณะมันผู้ที่พิจารณาอย่างนี้มากๆก็ยังจิตให้เบื่อหน่ายคลายกําหนัดใน ปัทวีธาตุคือผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นทีนี้อันนี้เรียกว่าพูดถึงอุปมาพูดถึงปัทวีธาตุภายใ น, นนะก็เจริญแบบที่พระพุทธเจ้าสอนพระราหุลใช่ไหมดูก่อนราหุลปัทวีธาตุภายในหรือปัทวีธาตุภายนอกเนี่ยนะเธอเพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงในปัทวีธาตุหรือเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามความเป็นจริงใน ปัทวีธาตุนั่นแหละว่านั่นไ ม, h, ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราย่อมเบื่อหน่ายในปัทวีธาตุยังจิตให้คลายกำหนับในปัทวีธาตุแต่สูตรนั้นแสดงแบบย่อๆพั้นคําว่าเห็นปัทวีธาตุทั้งภายในทั้งภายนอกตามความเป็นจริงก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเนี่ยนะแปลว่าพอเห็นมา ก, มากๆเข้าว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเรายังจิตให้เบื่อหน่ายและคลายกำหนับในปัทวีธาตุเนี่ยนะ เรียกว่ามนุษย์การใส่ใจบ่อยๆก็เลยเรียกอนุปัสนาเห็นบ่อยๆอนุแปลว่าตามหรือเนืองๆแปลว่าบ่อยมากอนะไม่ใช่ว่าอนุอนุปัสนาแปลว่าเห็นน้อยๆเนี่ยนะอนุบางคนเขาแปลว่าน้อยใช่ไหมปัสนาแปลว่าเห็นอนุปัสนาแปลว่าเห็นน้อยๆเห็นนิดหน่อยก็พอบอกไม่อนุปัสนาตัวนั้นแปลว่าเห็นเนืองๆเห็นเป็นก็เหมือนกับคนมีตาเขาเห็นอ่ะคนมีตาเนี่ยเใช้ตานิดๆหน่อยๆใช่ไหม ก็ดูดูแล้วดูนั่นน่ะฉันใดคนที่มีปัญญาก็วินิจฉัยคข้ครวรพิจารณาเนี่ยนะพิจารณาอย่างนี้การพูดถึงว่าการอย่างในสูตรนี้เนี่ยนะพูดปฐวีธาตุแบบนี้เนี่ยนี่แหละคือการแสดงกายานุปัสนาเนี่ยนะคนที่เรียนสติปัฏฐานมาเนี่ยการที่ภาษาบุตรแสดงแบบนี้แหละวิธีการปฏิบัติอยู่ในกายานุปัสนาสติปัฏฐานที่นี่ คือสรุปว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกสิ่งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะสาระสําคัญที่สุดธาตุเหล่านี้เป็นทุกข์สัตว์ใช่ไหมการเจริญปัญญาเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยอนั้นเป็นมัคเนี่ยนะเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นที่จะนําออกจากทุกเนี่ยนะถ้าเจริญอย่างนี้ก็นํามาซึ่งนิพพิทาวิราคาเป็นต้น นี่เปรียบภายนอกเนี่ยนะถ้าจะเบื่อภายในได้ก็อาจจะเบื่อภายนอกก็ได้ดูพิจารณาภายนอกมากๆก็ทําให้เบื่อภายในกล่าวว่าสมัยที่ปฐวีธาตุที่เป็นภายนอกกําเริบย่อมมีได้แล้วปฐวีธาตุภายนอกกําเริบเแผ่นดินไม่แผ่นดินไหวอิหร่านตายเท่าไหร่แผ่นดินไหวอิหร่านตายไปหลายหมื่นเนี่ยนะแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียก็ตายไปหลายหมื่นแล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยนะที่แผ่นดินไหวมาเรื่อยๆเนี่ยนะ ตายมาเรื่อยๆเหมือนกันอย่างที่ไต้หวันนะแผ่นดินไหวที่ไต้หวันแผ่นดินไวห ว, นนนไวที่อินโดนีเซียแผ่นดินไหวที่อิหร่านแผ่นดินไหวแถวยุโรปเนี่ยนะแถวพวกบางประเทศเนี่ยนะคือสรุปว่าตายเยอะแยะไปหมดเลยเมื่อไม่นานนี้ที่ไหนนะโมร็อกโกใช่ไหมที่โมร็อกโกเนี่ยนะที่แผ่นดินไหวตายไปตั้งหลายสิบเนี่ยนะแล้วก็แผ่นดินถล่มอีกที่อื่นๆอีกเนี่ยนะอย่างถ่านหิ น, นที่ถล่มตกลงมาอันนี้ในหนึ่ง แต่บอกว่าแผ่นดินเนี่ยแตกทําลายเอาแบบโลกทั้งโลกเนี่ยกระจายเป็นไหมเราถ้ายืนอยู่บนอยู่ในโลกเนี่ยนะยืนอยู่เหมือนกับว่าเดินบนโลกเหมือนกับมดไต่มะม่วงอย่างเงี้ยนะถ้าเราอยู่เหมือนกับมดไต่มะม่วงเดินอยู่บนโลกไปมาอ้อมอ้อมวนๆอยู่ในโลกอย่างเงี้ยนะเราก็มีความรู้สึกว่าโลกนี้มันมั่นคงมันถาวรแต่ถ้ารอเราออกออกไปอยู่นอกจักรวาลแล้วมองกลับมาโลกสภาพของโลกเหมือนอะไร เหมือนกับเคยเห็นไข่ไหมโลกก็เหมือนกับไข่ใบหนึ่งนะไข่เนี่ยถ้าเคยไข่เนี่ยไข่มันจะมีไข่ขาวมีอะไรนะมีเปลือกไข่ไข่ขาวแล้วข้างในก็เป็นไข่แดงถ้าพูดตามบางนัยยะเนี่ยโลกของเราก็เหมือนกับไข่แดงที่อยู่ข้างในไข่แดงข้างในนั่นคืออะไรไฟทั้งนั้นเลยลาวาทั้งนั้นที่อยู่ข้างในนั้นนะทีนี้ถามว่ามันกระจายได้ไหมล่ะไข่แตกเป็นไหม บอกไข่ก็แตกเป็นเนี่ยนะแล้วโลกทั้งโลกนี่มันระเบิดเป็นไหมเขาบอกปกติทางดาราศาสตร์เนี่ยนะทางดาราศาสตร์กล่าวว่าโลกเนี่ยคือว่าพวกพวกไอไอก้อนกลมๆเนี่ยอาจจะเรียกโลกเรียกจักรวาลหรือเรียกดวงดาวต่างๆเนี่ยนะมันระเบิดตัวค่อนข้างบ่อยมากเลยนีมันเยอะมากเนื่องจากว่าไอไอโลกกลมๆแบบ คือคอดวงดาวเนี่ยนะในจักรวาลในกาแล็กซี่เนี่ยมันเยอะมากเพราะงั้นเดี๋ยวมันตรงลูกโนนระเบิดปุ๊มลูกนี้ระเบิดตุ้มลูกโนนระเบิดลูกนี้ระเบิดมันเยอะมากให้ไอะก้อนที่ระเบิดเนี่ยมันก็ลอยสามารถลอยไปกระทบมันก็เรียกว่าวกอุกากาศเรียกอะไรก็ตกไปใส่ตามที่ต่างๆแล้วโลกของเรามันก็เหมือนกับไข่ใบหนึ่งเท่านั้นแหละแล้วขึ้นชื่อว่าไข่เนี่ยมันเป็นยังไงเบาะบาเปราะบางเบาบางเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นโลกนี่เนี่ยถามว่าโลกที่เหมือนกับไข่บางครั้งเนี่ยโลกเนี่ยแตกกระจายด้วยน้ํากรดคือบางยุคบางสมัยเนี่ยนะมันจะเหมือนกับว่าทั้งห่วงจั ก, กรวาลันเป็นกรดทั้งหมดเลยแล้วกรดก็กลั่นตัวมาเป็นลักษณะน้ําแล้วน้ําก็ตกลงมาโลกเนี่ยถ้าเหมือนกับไข่ตกลงมาตรงไหนมันก็เปื่อยไปหมดใชม่มันก็เริ่มเปื่อยแล้วมันก็กระจายไปในที่สุดโลกมันก็แตกทําลายไปได้ อันนั้นนี่คือแผ่นดินแบบที่เรียกว่าในโลกเนี่ยนะแผ่นดินเขาสิในรลกแต่กระจายหมดแหละนี้ไหนที่หนึ่งในที่สองดวงอาทิตย์เนี่ยนะดวงอาทิตย์มันหลุดจักรวาลอื่นมาได้ไหมหลุดวงคโคจรสุริยะจักรวาลอื่นๆมาได้ไหมกลางคืนเรามองเห็นดวงดาวสว่างๆนั้นก็บอกว่าดวงนั้นอนะ่ะบางทีใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเราอีกถ้าเกิดมันโคจรมาทุกดวงมาบริเวณโลกเราอะไรจะเกิดขึ้นเขาบอกว่าโลกนี้ก็ปลายเป็นลุกเป็นไฟ ไฟลุกท่วงก็ในในในห้วงจักรวาลเนี่ยนะดวงอาทิตย์เนี่ยท่านบอกว่าสว่างไม่มากเขาบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยสว่างไม่มากมันมีดาวอีกหลายดวงที่มันสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์เยอะเนี่ยนะเพราะแสดงว่าความร้อนมันสูงมากแล้วถามว่าท่านโลกของเราโคจรไปใกล้ดวงอาทิตย์อีกอะอะไรจะเกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่ดวงเดียวเนี่ยนะมันร้อนระอุทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเนี่ยนะไฟก็ลุกท่วมเมื่อไฟลุกท่วมโลกนี้ก็กระจายเนี่ยนะ แล้วในห้วงจั ก, กรวาลนี่มันเป็นพายุได้ไหมมันเป็นพายุได้เมื่อเมื่อห้วงจั ก, กรวาลมันเป็นพายุได้เนี่ยนะมันก็พัดลมนี่ให้แต่ h, พัดโลกนี่ให้แต่กจัดกระจายเพราะฉะนั้นโลกนี้จะแตกทําลายเพราะอะไรเพราะอะไรนะเพราะไฟก็ได้คือดวงอาทิตย์โคจรกันมาหลายๆดวงก็คือดวงดาวหลายๆดวงที่มันร้อนระอุโคจรเข้ามาใกล้ๆอย่างที่หนึ่งอย่างที่สอง น้ำเนี่ยนะเพราะว่าในห่วงโล ก, กธาตุเนี่ยมันแปรสภาพไปเป็นลักษณะน้ํากรดที่มันมีพิษร้ายแรงรุนแรงมากเนี่ยนะก็แตกทําลายและอย่างที่สามก็คือลมเนี่ยพัดสะแตกกระจัดกระจายไปหมดก็เหมือนกับว่าถามว่าลูกอุกบาทตกลงมาเนี่ยนะลูกอุกบาทเท่าดวงจันทร์ตกลงมาใส่โลกหลายๆดวงเป็นยังไงถามว่ามันเป็นไปได้ไหมที่มันตกใส่ มันก็เป็นไปได้อยู่แล้วเนี่ยนะอย่างทางอะไรเขาาก็มีเครื่องป้องกันกันนเนเครื่องตรวจเนี่ยนะกลัวลูกอุกาบาต ท, ที่อื่นมาชนโลกแตกระเบิดเนี่ยนะก็กลัวเพราะมันเป็นเหมือนกับไขด่ดีๆเนี่ยนะโลกของเราอ่ะมันก็เหมือนกับไข่บางทีมันก็ประทุมาจากข้างในเป็นเป็นภูเขาไฟระเบิดเป็นลาวาเป็นอะไรเนี่ยนะบางทีก็มาจากภายนอกแล้ว่าลูกอุกาบาตเนี่ยนะมันตกลงมาเนี่ยใหญ่เป็นบางทีใหญ่เท่าแบบเป็นหลุมลึกลงไปอันนั้นก็แสดงว่าโลกนั้นก็ไม่ได้มี สถิเรภาพไม่ได้มีความแน่นอนและมั่นคงอะไรเลยแม้แต่ในโลกเนี่ยน้ําก็ยังท่วมไฟก็ยังไม่พายุทั้งหลายก็ยังหมุนเวียนเปลี่ยนไปเนี่ยนะสร้างความเสียหายให้มากมายขนาดโลกใหญ่อย่างนี้ยังหมดภูเขาไฟยังระเบิดภูเขาทั้งหลายก็ยังระเบิดไม่เหลือแล้วกายนี้แหละดูแลน่าสงสารเลยนะมดตัวน้อ ย, อ ย, อยที่ไต่อยู่บนโลกเนี่ยนะ ย่งครับเรียกว่ามะม่วงมดไต่มะม่วงเนี่บอกโอ้ยมันใหญ่นี้ไปอ่ะนะพวกเราทั้งหลายนิดเดียวเนี่ยนะเบาบางแล้วเกินยิ่งกว่าแมลงวีตอมช้างอีกอย่างนั้นะเล็กกว่านั้นอีกแล้วถ้าบอกว่าถ้ามองโลกทั้งโลกเท่ากับช้างเลยนะแล้วก็มองพวกเราเท่ากับแมลงวีเนี่มันจะเป็นยังไงพร้อมที่จะแตกทําลายกระจายไปทุกหนทุกแห่งเขาบอกว่ามีชีวิตรอดนี่มันน่าอัศาจรรย์ถ้าตายนี่เป็นเรื่องปกติของเรา น, นนะะเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆแต่มีชีวิตอยู่ได้ทุกวันทุกวันให้มัน่านไปเนี่ยนะ ว่นาน่าอัศจรรย์มากเพรางั้นเพราะฉะนั้นก็มีอายุยืนขนาดนี้ก็ดีใจจะได้เจริญปัญญาจะได้พิจารณา น, น้อมไปเพื่อเบื่อหน่ายในยปัทวีธาคลายกำหนัดในปัทวีธาเพราะอะไรเพราะขนาดปัทวีธาภายนอกท่านบอกว่ากำเริบได้ย่อมนีแลสมัยนั้นปัทวีภายนอกจะเป็นของอันตรธานไปโลกทั้งโลกเนี่ยบางช่วงนี้กลายเป็นอะไรนะัเป็นฝุ่นละอองนะั้นไม่เหลือสภาพความเป็นโลกอีกแล้วเนี่ยนะ ชื่อว่าความที่แห่งปฐวีาธาตุภายนอกนั้นซึ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงจากปรากฏได้เนี่ยนะบอกบางคนเนี่ยพิจารณาว่าไม่เที่ยงเนี่ยเขาไม่ได้พิจารณาอะไรคิดแบบปลายเข็มใช่ไหมเล็กๆนิดเดียวเนี่ยเป็นคิดเป็นอะตอมเนี่ยละเอียดเล็กๆแล้วมันไม่เที่ยงเขาคิดแบบนั้นไหมไม่เนี่ยคิดเรื่องโลกเลยว่าโลกเราก็ไม่เที่ยงนะเนี่ยนะยังก็มีอยู่พักหนึ่งเขาบอกโอ้ยโลกนี่มันจะระเบิดแล้วปีกี่ปีเท่าไหร่โลกจะระเบิดเนี่ยนะ เหมือนกันนะ่ะและฉันใดขนาดโลกใหญ่ๆอย่างนี้คิดว่ามันระเบิดได้ไหมถามว่าเอาทั้งโลกนี้เนี่ยนะนิวเคลียร์เมกาก็โยนนิวเคลียร์ขึ้นมาอันฮรัสเซียก็โยนนิวเคลียร์ขึ้นมาอินเดียปากีก็โยนนิวเ ค, คลี ย, ร, ย, ย, ลลยร์ทุกคนปล่อยนิวเคลียร์หมดเนี่ยโลกทั้งโลกจะเป็นยังไงทุกคนปล่อยนิวเคลียร์ออกมาหมดเลยเนี่ยนะก็แหลกลานกันแค่นั้นแนหะเป็นจุนวิจุนกันหมดเนี่ยนะเพรา ะ, ะนั้นก็บอกว่าปฐวีาธาตุภายนอกใหญ่ขนาดนี้ยัง ไ ม, ไม่เที่ยงเลยเนี่ยนะแล้วใหญ่ถึงเพียงนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงปรากฏเป็นของสิ้นไปเป็นธรรมดาก็จักปรากฏเป็นของเสื่อมไปเป็นธรรมดาก็จักปรากฏเป็นของแปรปรวนไปเป็นธรรมดาก็จักปรากฏอย่างประเทศประเทศหลายอย่างที่เขาสร้างตึกมานานเนี่ยเราจะได้ข่าวเขาระเบิดตึกกันเรื่อยๆเรื่อๆรืยๆใช่ไแล้วกายนี่ล่ะ นะความที่อ่ชนะชะไหนความที่แห่งกายอันตันหาเข้าไปยึดถือว่าตันหายึดถือกายนี้ว่าเรามั่งว่าของเราเนี่ยนะว่าเป็นอัตตาของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะตั้งอยู่ตลอดการพอประมาณกายของเราเนี่ยนะตั้งอยู่พอประมาณใช่ไหมกายอันนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของสิ้นไป เป็นธรรมดาเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นของเปรปรวนไปเป็นธรรมดาเไห น, นมันจะไม่แตกสลายแตกทําลายไปแล้วเนี่ยนะท่านบอกว่ากายนี้เนี่ยนะตั้งอยู่พอประมาณไปดูอัตตะทานหน้าห้า้อยสาเจ็ดเนี่ยนะเพราะว่ากายนี้ตั้งพออยู่ประมาณขนาดนะตรงกลางหน้าเลยนะกลางหน้าเพราะว่าห้าสามเจ็ดกลางหน้าว่ามัตต์มัตตทกสะ ตั้งอยู่ช่วระยะพอประมาณหรือชั่วระยะการนิดหน่อยดำรงอยู่ชั่วระยะเวลาเล็กน้อยกายนี้เนี่ยตั้งอยู่นิดหน่อยกายเนี่ยมันมีชั่วระยะเล็กน้อยเพราะอะไรเพราะเวลาการตั้งอยู่ของร่างกายเนี่ยมันนิดหน่อยแล้วก็กายนี้เนี่ยมีกิจน้อยเหลือเกินยกตัวอย่างบอกว่ากายนี้เนี่ยตั้งอยู่โดยอาศัยอะไรโดยอาศัยจิตถ้าลองจุติจิตมันมันดับดูสิ กานี้ท่านกล่าวว่าตั้งอยู่นิดหน่อยในขณะจิตที่เป็นอดีตมันก็เคยตั้งอยู่แล้วใช่ไหมมันก็เคยตั้งอยู่แล้วในอดีตไม่ใช่ปัจจุบันไม่ใช่อนาคตเป็นชีวิตของเราเมื่ออดีตมันก็คืออดีตไม่ใช่ปัจจุบันไม่ใช่อนาคตได้ชีวิตในอนาคตล่ะไม่ใช่กําลังปัที่เป็นปัจจุบันไม่ใช่สิ่งที่เป็นอดีตขณะที่เป็นปัจจุบันก็ไม่ใช่อดีตเลยอนาคตมันก็ดํารงอยู่ทีละ ขณะทีและขณะอดีตก็คืออดีตอนาคตก็คืออนาคตปัจจุบันก็คือปัจจุบันอดีตอนาคตและปัจจุบันอดีตเที่ยงไหมล่ะไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปลวนไปเป็นธรรมดาแล้วอนาคตหลักกายนี่จะเที่ยงไหม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 ภาเวตประธรรมในความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นของกายนี้มากเพียงใดเนี่ยนะแล้วก็ไม่เที่ยงเหล่านี้เนี่ยปัญญาเหล่านี้ที่ต้องเจริญให้มากๆเนี่ยนะและอีกในหนึ่งก็บอกว่าแสดงว่ากายนี้มันตั้งอยู่นิดหน่อยเท่านั้นแลลวชีวิตตังอตตภาโวสุขทุก ข, ขาจากเกวลาเอกจิตตะสมายุตตาละหุโซวัตะเตขนโนชีวิตอตภาพสุข ทุกทั้งมวลล้วนประกอบด้วยขณะจิตเดียวชีวิตมันดำรงอยู่ที่ลักษณะจิตเท่านั้นและเนีนย่นยนะย่อมเป็นไปอย่างฉับพลันนะวัดหนึ่งเกิดดับเท่าไหร่ละแล้วร่างกายของเราล่ะ เ, เส้นอ่านะถ้าพูดแบบเนี่ยนะพูดแบบเลือดเลยนะเลือดที่อยู่ที่หนะ้าผากไปถึงเท้าใช้เวลานานเท่าไหร่เลือดนี่มันไหลเวียนด้วยร่างกายใช่ไหม มันนะมันสูบฉีดทั่วร่างกายเนี่ยนะถ้าจากจากศีรษะมันเวียนไปถึงเท้านี่ใช้เวลาเยอะไหมมันก็เวียนตลอดเวลาแสดงว่าถ้าเป็นแบบเราเคยเห็นแบบอะไรนะท่อสายยางสายยางที่น้ําแบบมันสูบฉีดอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะปั๊มก็ปั๊มอยู่นั่นแหละปั๊มทั้งวันทั้งคืนปั๊มทั้งวันทั้งคืนปั๊มภายนอกเปลี่ยนมาทั้งสามตัวแล้วปั๊มภายในยังใช้ต่อไปได้ใช่ไหมนะปั๊มคือหัวใจนะก็ปั๊มทั้งสูบทั้งฉีดทั้งสูบทั้งฉีดทั้งสูบทั้งฉีดเนี่ยนะ ที่นิ้วมือนิ้วเท้าเลือดที่นิ้วมือนิ้วเท้าเวียนไปที่ศรีศรษะเลือดข้างหน้าเวียนไปข้างหลังก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอยู่อย่างนี้นะี่นะเพราะชีวิตของเราแล้วตกลงมันขณะไหนขณะที่เป็นเป็นชีวิตที่มันจีรังยั่งยืนมีบ้างไหมไม่อดีตก็สิ้นไปแล้วนายอดีตอนาคต ก, ก็จะสิ้นไปในอนาคตและปัจจุบันเอาขณะไหนละ่ะมีแต่ความหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปหาความจีรังยั่งยืนแน่นอนมั่นคงไม่ได้เลย บอกเออรูปแหมรูปมันไม่เที่ยงนะแต่ใจสิแน่นอนบอกว่าถ้าเทววิญญาณนะใช้คําว่าวิญญาณนี่เหมือนเที่ยงไหยแต่บอกว่าถ้าใช้คําว่าใจาล่ะความคิดนี่สิแน่นอนเชื่อได้ไหมความคิดโอ้ยเหมือนกับครบลิงเลยเ น, นี่นะอันเนี้ยนะลิงเ อ, อ้ยลิงเนี่ยนะเวบหนึ่งเนี่ยนะนั่งฟังธรรมคิดได้กี่เรื่องแล้วเนี่ยนะ อยู่กับธรรมะถึงกี่นาทีก็ไม่รู้เนี่ยนะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะบอกเอ้าฟังธรรมะร้อยเอยู่ในชั่วโมงธรรมะร้อยเซ็นตี่ยอยู่กับธรรมะได้ห้าสิบเปอร์ซนตหมเราคิดเรื่องอื่นคลอไปด้วยตั้งก็ดูเอาว่าอันไหนมันมากกว่ากันเนี่ยนะก็คู่ควรไหมที่จะพ้นจากทุกข์อย่างเงี้ยนะความคิดมันความคิดจิตมันไหลไปเรื่อยเนี่ยนะทีนี้มันไปเขาบอกว่าจิตโดยสภาวะมันเกิดดับเร็วจริง แต่อวาไปเรื่องนี้แวบไปเรื่องนี้อันนั้นด้วยอํานาจของอกุศลมิตกอันนี้ไม่ดีเราต้องต้องเป็นกระแสแห่งกุศลที่ไหลไปอย่างสืบเนื่องโดยส่วนเดียวเนี่ยนะเขาบอกว่าสรุปว่าร่างกายนี้เนี่ยนะมันดํารงอยู่ได้ไม่นานเป็นไปทีลักษณะทีลักษณะที่เป็นไปแต่ลักณะแต่ละขณะเท่านั้นเองเนี่ยนะจะไปเชื่ออย่าไปสําคัญมั่นหมายอะไรกับกายนี้หยาดน้าค้างบนยอดยาอาทิตย์โผลอาทิตย์โผลขึ้นมาก็ แตกทำลายหายไปเนี่ยนะหรือว่าเหมือนอะไรแม่โคที่สมัยก่อนเขาจูงสมัยนี้เขาบรรทุกรถแล้วเนี่ยนะเขาบรรทุกใส่รถไปสู่โรงฆ่าสัตว์เหมือนหมูเนี่ยเคยเคยขับขึ้นรถแล้วเห็นหมูบรรทุกข้างหน้าไหมนนะเห็นเห็นโครกระเบือเป็นต้นบรรทุกอยู่ข้างหน้าไหมเขาพาไปไหนแล้วใครรู้ว่าคนที่อยู่บนรถจะไปสุขเกษมปลอดภัยอย่างเดียว ประเทศเราเนี่ยนะโอ้ตายพอๆกัสงครามเลยเพราะอะไรอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยนะมอเตอร์ไซค์บิดแป้นเข้าไปเนี่ยโอย้ขอให้มีความสุขมีอายุยืนเถอะเนี่ยนะเพราะโดยเฉลี่ยแล้วสถิติเนี่ยที่ปลอดภัยไม่สูงนักเนี่ยนะบางทีก็เอาเอาหน้าไปถูถนนบ้างเอาตัวไปถูบ้างเอาแขนตลอกเปลาไปหมดเนี่ยนะโอ้ยน่าสงสารจริงๆเลยนะแต่ละคนมันบอบบางจริงๆเหมือนกับมันเหมือนกับสิ่งที่มันบอบบางมากๆเลยร่างกายอันนี้เนี่ยนะ จะเอาเกราะมาใส่มันก็ไม่ไหวอีกเหมือนกันนะ่ะนะนั่นก็อะไรจะเบาบางเท่ากับกายนี้ไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะพร้อมที่จะแตกพร้อมที่จะกระกจายพร้อมที่จะสูญพร้อมที่จะสลายหนักๆเข้าไวารัสมันแหมตัวใหญ่เท่าชามที่ไหนใช่ไหมหายใจเข้าไปก็จะป่วยตายอยู่แล้วว่ากันนะกลัวที่สุดกลัวลมหายใจมางช่วงนะไหมเคยมีอยู่ช่วงไหนวุ้ยกลัวลมหายใจกันน้าดูเลยนะหนักๆเข้าอาวุธไม่ได้อยู่ไกลอะไรใหญ่โตที่ไหนรอกหายใจถด ก, ก, การจะตายแล้วเนี่ยนะเดี๋นึกว่ากแกงกาดอะไรเลยใช่ไหม หายใจรดกันก็จะตายกันอยู่แล้วเนี่ยนะโอ้ชีวิตเนาะชีวิตเพราะก็เลยท่านบอกว่าชีวิตเนี่ยมีกิจน้อยในหน้าห้า้อยสาสิบแบอกว่ากายนี้เนี่ยนะมันเนื่องด้วยลมหายใจเข้าออกเมื่อกายนี้เนื่องจากด้วยลมหายใจเข้าออกเราเราสามารถไปดมอย่างอื่นแล้วตายได้ไหมไออัน้ได้แล้วลืมหายใจออกละ่ะหายใจเข้าไม่ออกละ่ะถ้าออกแล้วไม่เข้า พร้อมที่จะตายแล้วหายใจเอาอะไรเข้าไปก็ไม่รู้ก็พร้อมที่จะจะตายเนี่ยนะก็พร้อมที่จะตายก็ว่าเนี้ยต่อไปชีวิตนี่มันเนื่องทั้งลมหายใจเข้าและลมหายใจออกชีวิตเนื่องด้วยมหาภูตรูปสี่เอาทาทัดดินกาเริบนะเช่นไม่รู้ว่าสมองท่านบอกว่าสมองฉันบอกว่าฉันขอเน่าแล้วกันนะถ้าสมองขอเน่าจะอะไรจะเกิดขึ้นถ้าตับบอกว่าฉันเบื่อแล้วขอแข็งดีกว่าอะนะ หัวใจบอกโอ้ไม่เอาเลยนะฉันขอไม่เลิกทางานดีกว่ารั่วเลยหมดเรื่องเลยนะลำไส้ก็บอกโอ๊ยเนี่ยนะงอกโตขึ้นมาหรือสรุปว่าอันใดอันหนึ่งดินก็ค่าดินดินค่าน้ําดินค่าไฟแล้วก็ดินค่าลมในร่างกายเนี่ยนะมันทะเลาะกันเองนะธาตุลมมันธาตุน้ํามันค่าธาตุดินมันค่าธาตุไฟมันค่าธาตุลมธาตุไฟค่าธาตุดินธาตุน้ําและธาตุลมธาตุลมค่าดินลมค่าน้ําลมค่า ไฟแล้วก็ธาตุสีนั่นมันแบ่งบางทีมันแบ่งเป็นสงเผ่าดินข้าวอ่นันนะบะลมกับน้ํามันเข้ากันเนี่ยนะลมกับไฟมันเข้ากันดินกับน้ํามันทะเลาะกันเนี่ยนะตายสรุปว่าอะไรจะชนะอะไรจะแพ้คนก็ตายอีกอยู่ดีเนี่ยนะมันกายนี้มันเนื่องด้วยดินเนื่องด้วยน้ําเนื่องด้วยลมด้วยเนื่องด้วยไฟและวกายนี้เนื่องด้วยอาหารแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าอาหารที่เราบริโภคไปมันสะอาดบริสุทธิ์ไม่มี มันมีอุปการะต่อร่างกายโดยส่วนเดียวเนี่ยนะซึ่งโลกนี้มันเต็มไปด้วยยาพิษ ส, สารพิษสารพัดพิษเนี่ยนะแล้วดื่มเข้าไปมันจะเป็นยังไงแล้วชีวิตนี้มันเนื่องด้วยจิตเนื่องด้วยผวังขจิตใครจะรู้ว่าหลับแล้วไม่ตื่นอะ่ะเอาฝากความหวังเอาไว้กับจิตได้ไหมฝากความหวังไว้กับผวังรู้ได้ยังไงว่าเอาอุปคาต ก, กรรมไม่มาตัดรอนอุปปีและกกรรมไม่มาตัดรอนเนี่ยนะเพราะยิ่งแบบสมัยปัจจุบันเนี่ยนะอยู่บ้านเราดีๆมันด้วยอะไรตกลงมาไต่ ตายแล้วนะพร้อมที่จะเกิดตายได้อย่างรวดเร็วเลยนะอย่างเจดีหลายๆแห่งมันถล่มเพราะอะไรรู้ไหมแผ่นดินไหวแล้วเรานอนอยู่นี่เรารู้ได้ยังไงว่าจะรอดละ่ะเพราะกายนี้มันเป็นของเล็กน้อยเนื่องด้วยอะไรเนื่องด้วยลมหายใจใเข้าออกเนื่องด้วยอาหารบ้างเนื่องด้วยมหาภูต ร, รูปสี่เหมือนกับเลี้ยงอสศรพิษไว้สตัวมันก็กัดกันสักเสียหายหมดแล้วก็เนื่องด้วยวิญญาณทั้งหลายเมื่อกายนี้ไม่เที่ยง ไม่เที่ยงด้วยอะไรไม่เที่ยงด้วยดินด้วยน้ำเอ่อน้ําก็น้ําก็อะไรน้ําก็ย่อยสลายโลกนี้ได้ธาตุน้ําที่อยู่ในกายก็ทําลายธาตุดินได้เนี่ยนะลมก็ย่อยสลายโลกภายนอกได้ฉันใดลมก็ทําลายเช่นอหิวาตะโรคเลยอหิวาตะเนี่ยอะฮิแปลว่างูวาตะแปลว่าลมอหิวาต ะ, ะโรค ก, ก็โรคที่ลมประดุดงูกัดอย่างเงี้ยมันพร้อมที่จะทําให้ตายเนี่ยนะ คือสรุปว่าโลกนี้เนี่ยเอาอะไรมารับรองรับประกันยั่งยืนประกันชีวิตช่วยได้ไหมอุ้ ย, ยประกันชีวิตเนี่ยมันเขาก็คนค น, คนเป็นนะใช้สตางค์อ่ะนะเขาเรียกว่าอะไรนะประกันชีวิตแปลว่าแกตายแล้วคนอื่นจะได้มีสตางค์ใช้เนี่ยนะอา้าวใช่งั้นป่ะโดยความหมาย น, นะจริงจริงแล้วแปลว่าอย่างนั้นได้ป่าเมื่อคุณตายแล้วคนอื่นจะได้มีสตางค์เอาไปเผาคุณอ่างนั้นอ่ะนะ เขมีวันก่อนวันนั่งคุยกันโยงเขามาเล่าบังบอกโอ้คุณต้องทําประกันนะตายแล้วเดี๋ยวเขาไม่มีการไม่มีเงินค่าศพไม่มีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะบอกโอ้คนตายเขาไม่มีปัญญาเอาไปทํำลายก็คนเป็นเขาอยากจะเอากองไว้ตรงนั้นก็ตามใจละกันเหมือนกันเขาไม่ปล่อยเอาไว้นานรอกเนี่ยนะคกลัว ในหน้าห้าิเจนี่ยนะก็บอกว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นความถือด้วยสามารถแห่งตันหามา n น a ะทิฐิในปฐวีธาตุนั้นจะไม่มีแก่ผู้นั้นเลยคิดว่าถ้าใส่ใจคิดแบบคําสอนพาคิดมากๆว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาขนาดสิ่งภายนอกยังไม่เที่ยงยังแตกทําลายแล้วร่างกายปฐวีธาตุภายในจะมั่นคงยั่งยืนอยู่ต่อไปหรือเป็นต้นนะถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆจะมีมา n ะในกายนี่ไหม จะมีมานะมีมิจฉาทิฏฐิในปฐวีธาตุทั้งหลายเหล่านี้ไหมเพราะฉะนั้นเขาถ้าพิจารณาใครครวญแบบนี้ก็จะละตัญหาในกายได้ละมานะในกายได้ละมิจฉาทิฏฐิที่สำคัญผิดคิดผิดในร่างกายได้วันในหน้า518เจงกล่าวว่าหากว่าชนเราอื่นจะดา่าจะตัดพอะจะ ก, กระทบกระเทียบจะเบียดเบียนภิกษุนั้นใส้ พิสูจน์ไหนพิสูจที่เจริญกรรมฐานเนี่ยนะเมื่อเจริญเข้ามากๆเข้าเนี่ยนะบางทีคนที่ปฏิบัติธรรมไม่ได้แปลว่าไม่ถูกด่านะเนี่ยนะก็แปลว่าถูกด่าเป็นเหมือนกันถ้าเขาด่าแล้วถ้าเขาด่าเขาเขาด่าเขากระทบกระเทียบหรือเขาเบียดเบียนอ่ะนะเช่นแทนที่เขาจะเอาก็อนดอกไม้มาแล้ว เ, เ, เอาก้อนอิฐเป็นต้นเนี่ยมาให้เนี่ยจะทำไงเอ้าก็แปลว่าถูกด่ามั่งเขาไม่ได้มาชมอย่างเดียวเขามาด่าก็ได้เขาไม่ใช่เอาดอกไม้มาให้อย่างเดียวเอาลูกปืนมาให้เป็นต้นก็ได้เนี่ยนะจะ ท, ทำไงเอา ภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขเวทนาอันเกิดแต่โสตะสัมผัสนี้แปลว่าอะไรแปลว่าถูกด่าใช่ไหมพอถูกด่าก็แวพอถูกด่าแล้วเจ็บหูหรือเจ็บใจเนี่ยนะถ้าไม่ด่าใกล้หูจริงๆก็ไม่ถึงกัแสบแก้วหูใช่ไหมแต่มมันเจ็บใจหรือเกินเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าทุกขเวทนาเกิดแต่โสตะสัมผัสเนี่ยนะกำเริบเนี่ยนะเครียดเลยเนี่ยนะ ก็แต่ว่าทุกขเวทนาความเสียใจทุกขเวทนาที่กำเริบนะแปลว่าโทสะมันกำเริบขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุถ้าไม่มีเหตุมันจะเกิดได้ไหมความเสียใจเนี่ยที่มาจากถูกด่าเนี่ยถ้าไม่ถูกด่าจะเสียใจไหมไม่ทุกขเวทนาอาศัยอะไรเกิดขึ้นอาศัยผัสสะผัสสะมาจากอะไรอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตะวิญญาณความประชุมของธรรมสามประการเป็น ผัสสะเนี่ยนะผัสสะก็เพราะมีหูเพราะมีเสียงมีโสตะวิญญาณสามอย่างรวมกันนั่นแหละเป็นผัสสะไม่ความเสียใจก็มาจากโสตะสัมผัสนี่แหละก็เห็นว่าผัสสะก็ไม่เที่ยงอะไรเพราะอะไรหูก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงโสตะวิญญาณก็ไม่เที่ยงแล้วผัสสะจะเที่ยงมาจากไหนเห็นว่าเวทนาก็ไม่เที่ยงนะนะสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยง ก็ใส่ใจว่าหูก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงโสตวิญญาณภาษะเวทนาสัญญาสังขารแลยวิญญาณแต่ละอย่างก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงนะนีก็หูเนี่ยหูเนี่ยมันอาศัยอะไรกระดูกชิ้นที่เล็กที่สุดเนี่ยในร่างกายของเราอยู่ที่ไหนอยู่ในช่องหูกระดูกคอนกระดูกทั่งกระดู ก, กโกนกระดูกอะไรแถวๆนั้นมันเล็กที่สุดเนี่ยนะแล้วมันเคาะดังกันป๊กเป่งปอกเป่ ง, ป เ, ปงเหมือนกับยิ่งยิ่งมือันไม่ได้ใหญ่เท่าลูกระ น, นาดอะไรที่ไหนหรอกเนะนะ แล้วสิ่งเหล่านี้มันจะจีรังยั่งยืนหูมันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมแล้วไอหอยโข่งที่หูมันจะยั่งยืนมาจากไหนเห็นไหมแต่ละส่วนแต่ละส่วนที่อยู่ในหูมันก็ไม่เที่ยงแล้วเสียงล่ะเสียงเที่ยงไหมไม่เที่ยงอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตาวิญญาณโศตาวิญญาณเที่ยงไหมหูก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงโสตาวิญญาณก็ไม่เที่ยงภาษะมันเที่ยงไหมบางทีอ้าวเขาเขาด่าเราอ่ะเขาด่าเราเขาพูดคําเดียวที่เหลือเราคิดเอาเองหมดเห็นไนะใช่ไหม บางคนก็บอกอเขาด่าเราอะ่ะเขาด่าเราอะ่ะคิดนอนคิดทั้งคืนแบบไรว่าด่าตัวเองทั้งคืนเลยเนี่ยนะจำตัวเองได้ทั้งคืนด่าตัวเองทั้งวันเนะี่ยนั่นดีเขาพูดคําเดียวแค่นั้นแหละที่เหลือเนี่ยนะเราเก็บไปคิดเอาเองหมดอู้อธิบายนะแตกฉานมากเลยนะเชี่ยวชาญอธิบายเชื่อมโยงโอู้ชักเหตุชักผลมาด่าตัวเองพี่ที่คาสอนพระพุทธเจ้านะโยงอย่างนั้นไม่ได้เนะ น, นี่ยนะไอเรื่องไม่เป็นเรื่องในโยงแก่งเก่งแสด ง, งว่าชํานาญมากเลยนะ อันนี้แหละที่ที่อะไรโทรสะที่ยังไม่เจริญก็เจริญขึ้นที่เจริญขึ้นแล้วก็โตเอาโตเอาเนี่ยนะซึ่งไม่ใช่ภาเวะตประธรรมเลยเนะมันเป็นอะไรเป็นปะหาตประธรรมตรงกันข้ามไปทํากิจผิดพลาดใช่ไหมไอ้โทสะควรละดันไปเจริญเนีนะก็ต้องมันมาสิการแล้เออเนี่ยนะทุกขเวทนาที่อยู่ในใจเนี่ยพอได้ยินเสียงแล้วก็เสียใจยนี่แปลว่าเคยเห็นของอะไรมากระทบไหมสมมติร่างกายของเรา เดินไปกระทบอะไรแล้วมันห่อเลือดใช่ไหมพอมันห่อเลือดนี่ถ้าเลือดอยังห่ออยู่ น, นานๆจะกลายเป็นอะไรเป็นหนองใช่ไหมถ้าอะไรมากระทบบ่อยๆแล้วมันเกิดขังตัวอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่มีการดูดซึมไปที่อื่นเลยนะมันแช่อยู่ตรงนั้นมันก็จะกลายเป็นหนองกายนี้นะคิดง่ายๆว่าตรงไหนที่ไม่มีการไหลเวียนตรงนั้นจะเน่าอันนี้เกติกาของเขาว่าเช่นถ้าเลือดไม่ดึงไม่มีการขยายไม่มีการขยับตัวนะถ้าวาโยธาตไม่ทํากิจ ตรงไหนตรงนั้นจะเน่าทันทีเนี่ยนะมันจะเน่าฉันใดถ้าตรงไหนจุดกระทบฉันใดจิตของเราก็เหมือนกันเนี่ยนะมันก็เน่าแล้วเพราะอะไรเพราะอาศัยหูกับเสียงแล้วมาเก็บอันนั้นเอาไว้ในใจนะช้าใจหมดเลยนะช้าใจใจก็เลยเน่าหมดเพราะใจเน่าแล้วทําไงอะก็พุ่งอ่านะนอนก็ชอนชายแล้วขนาอกุศลวิตตกก็กําเริบเสียอกเสียใจเนี่ยนะขณะที่โทรศส์ก็คือ น, นอนมันกําเริบใน ในใจนั่นแหละก็เลยนึกว่าเราเนี่ยดีตลอดดีอยู่คนเดียวเนี่ยนะนอนมันชัยอยู่ขนาดนั้นยังชมตัวเองว่าดีอีกนะก็เราดีขนาดนี้เขายังด่าเรานะยิ่งเสียอกเสียใจที่ไหนได้เนี่ยนะเข้าใจผิดเนี่ยนะเข้าใจผิดเนี่ยนะก็บอกว่าบางทีถ้ามนุิการแบบนั้นได้เนี่ยนะจิตก็มีธาตุเป็นอารมณ์ใส่ใจในปฐวีธาตุอาใส่ใจในหูเสียงโสตวิญญาณภาัสสะเวทนาใส่ใจว่า ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาชาวนะก็เล่นไปอย่างนี้วิปัสสนาญาณก็เล่นไปอย่างนี้ย่อมฝอยได้ฝอยได้ไมันเข้าใจแปลว่าไม่ติดขัดเนี่ยนะไม่ติดขัดไม่ระคายใจเลยเนี่ยนะเอาเขาก็ด่าเขาเขมีหูนั่นแหละจึงถูกด่าเป็นต้นเนี่ยนะแล้วคนที่ด่าล่ะถ้าเขาคิดเป็นเขาก็ไม่ด่าหรอกเชื่อเหรอเนี่ยนะถ้าเขากุศลจิตเกิดเขาก็ไม่ด่าเราหรอกก็จิตเขาไม่เป็นกุศล เราเนี่ยเองถ้าทําบุญมาดีเขาก็ต้องมาพูดธรรมะให้ฟังนี่ถ้าถูกด่าก็แปลว่าเราก็ไม่เบาเหมือนกันนั่นแหละมันก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละมันแค่เรียกว่าที่ไหนอะไรนะความชื้นมันมีเท่านั้นอะ่ะเมฆฝนมันจังกลั่นตัวตกลงมาใช่ไปโทษเมฆ ก, ก็ไปได้คือทะเลทรายทำํำไมฝนมันไม่ตกเพราะอะไรา็ความชื้นเป็นต้นในทะเลทรายไม่มีเราที่ถูกด่าเนี่ยนะแปลว่าอะไร แปลว่าเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนั่นแหละมันจึงไปดึงเสียงด่ามาใส่หูได้เนี่ยแสดงว่าเราก็เป็นคนไม่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่ยนะหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่าที่ที่ที่ ท, ที่สุนัขมันอุจระใส่เนี่ยนะที่ตรงนั้นเนี่ยโดยมากแล้วมันเป็นสถานที่ทําเลของเขานะเขาจึงถ้าไม่ใช่ทําเลของเขาจริงๆเขาไม่หรอกเนี่ยนะชาแนลเราทั้งหลายถูกเขาคนอื่นเขาว่าเขาด่าเขาอะไรเป็นต้นเนี่ย เราก็มีวิแววว่าน่าจะถูกด่ามาตั้งนานแล้วเนี่ยนะที่จริงเนี่ยเลื่อนระยะเวลาด่ามาถึงปัจจุบันได้นี่ก็ดีใจแล้วนะโอแต่ตั้งนานเนี่ยแ ส, แสดงว่าเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเลยไปเข้าข้างตัวเองดีอยู่คนเดียวเนี่ยนะระวังเด้อดีมันจะสซ่านนะจะลําบากนะถ้าดีมันแตกก็เดือดร้อนเนี่ยนะถ้าดีสซ่านก็เดือดร้อนดีดีแตกก็เดือดร้อนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเข้าใจว่าตัวเองดีนักเลยเออดีเหมือนกันเนี่ยนะ เคยมั้งเขาก็มีบางคนบอกเวลาเดินไปกระทบอะไรเลือดมันออกเนี่ยนะเออเอาเลือดไอ้ที่ไม่ดีไม่ดีออกไปบ้างก็ดีเหมือนกันเนะี่ยนะโยงกันเร า, าออกมาคย่างขำเลยเนะี่ยรู้สึกช่องนี้มันหงุดหงิดยังไงเราไปเจาะเลือดดีกว่าเองั้นเอาเลือดบางอย่างออกไปบ้างก็ดีเหมือดนกะันเนี่ยนะจริงๆอ่ะของเราเองโดนถ้าบ้างก็ดีเหมือนกันแสดงว่าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนั่นแหละที่จริงมันวีวีแววมาตั้งนานแล้วเนี่ยนะ แ ส, สดงว่าแผ่นดินแถวนี้มันชุ่มชื้นฝนมันก็เลยอยากตกว่างั้นน่ะนะอันนั้นก็เลยนี่ก็เหมือนการใบายาอยากเข้าข้างตัวเองให้มากนักถ้าพักใคร่ควรวญบ่อยๆเนี่ยนะมันก็ไม่ติดใจเท่าไรหรอกเนี่ยนะเราก็ไม่ติดใจเท่าไรหรอกเอาเขาด่าเราอ่ะเอาจริงๆวันวันเรานั่งชมใครบ้างเอาเอันนัแล้ววันวหนึ่งเรานั่งชมใครคนนั้นก็ดีอย่างงั้นคนนี้ก็ดีอย่างนี้ถ้าปกติเรานั่งชมแต่คนอื่นทั้งวันแล้วถูกด่าเออว่าไปอย่างนะ ถ้าวันหนึ่งเรานั่งมุทิตากับใครบ้างไอ้คนนั่นก่อใหม่ดีไอ้คนนั้นก่อเลวคนนี้ก็อใหม่ดีคนนี้ก็ใช้ไม่ได้คนนั้นก็พูดมไม่คนนี้ก็อหนารําคาญอว้ยก็นั่งบนคนอื่นไปทั้งวันแล้วคนอื่นจะด่าเรามัาง่งเขาเขากระจิงเขาคิดไม่ดีกับเรามาตั้งนานแล้วละ่ะเขาเพิ่งออกเปลงออกมาเป็นจิตเวชจีวิญยัตเนี่ยเพิ่งได้ยินที่จริงเขาไม่ได้ชมเรามาตั้งนานแล้วละ่ะเนี่ยนะพันถูกด่านนี่แสดงว่ามันกรัดน้องมาแล้วมานานแล้วมันจึงประตุกออกมาบา ง, งั้นก็จะไปคิดอะไรมาก น, นะ ถ้าคิดอริยสัตว์ถ้าเชี่ยวชาญขนาดนั้นบรรลุตั้งนานแล้วบางเรื่องเนี่ยนะคำไหนที่ไม่ใช่สุภาษิตนะเก็บมาคิดทําไมนะคําของพระพุทธเจ้าผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลไม่เก็บมาคิดรอไอ้คาที่แม้ก็แก่นจะตกนรกเนี่ยนะโอ้ยคิดแล้วคิดอีกเนี่ยนะแสดงว่ามันก็มีวิเวลเหมือนกันนะังนั้นเราก็ไม่ธรรมดานีสมมติเขาด่าว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่า ง, ง น, นางงี้เป็นเดรฉ า, านเป็นต้นเน่ยนะ เป็นตัวตะกวดเป็นตัวเงินตัวทองหรือก็ด่าว่าเราเป็นอะไรเนี่ยนะแล้วเราก็เก็บแล้วคิดแล้วก็โกรธแสดงว่ามีวิเววเหมือนกันนะเนี่ยพระซ่องเสพความคิดแบบนั้นค่อนข้างเยอะเนี่ยนะนนก็สงสารตัวเองบ้างเถอะเนี่ยนะเขาด่าเราคําเดียวพอแล้วทําไมเราต้องประทุษร้ายเบียดเบียนใจของเราให้มันมากเลกเลยเนี่ยนะสงสารตัวเองก็บอกว่าแต่เวลาเราเราเก็บจำำําคําเขาด่าเราจบแล้วนะแล้วทำไมเราต้องมานั่งด่าตัวเองต่อไปอีกล่ะ เนี่ยนะเขาก็พูดไปแล้วแล้วเสียงนั้นก็หมดไปแล้วแล้วจะม่ย้ำคิดย้ำทำไปถึงไหนเราก็ตอนนี้เราก็สามัญยานึกแล้วเนี่ยนะต่อมสามัญยานึกก็ทํางานแล้วแ น, นะเราก็จะไปอะไรมากมายกับ น, นี้เนี่ยนะก็แก้ไขเธออะไรที่จะแก้ไขได้ก็แก้ไปเธอถ้าแก้ไม่ไหวยิ่งก็อิติปิโซไปก่อนแล้วกันก็บอกว่าถ้าพิจารณาบ่อยๆเนี่ยนะมันจะไม่ติดขัดจะตั้งอยู่ด้วยดีด้วยอนิจจานุปัสสนานะ จะตั้งด้วยทุกขานุปัสนาตั้งอยู่ด้วยอนัตตานุปัสนาเรื่องหาเกี่ยวกับปฐวีธาตยังไม่หมดนะนะแต่เวลามันหมดแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายต่อละกันเจนพรตอนบ่บาเช้านี้ก็เท่านี้ก่อนนะนะ